วันนี้นี่เป็นวันพระน ะ, ะทั้งประเทศก็ได้จัดพิธีกรรมเนื่องด้วยวันพระมีคนมาถือศีลมาถวายทานนอกจากเป็นวันพระแล้วเนี่ยก็ยังเป็นวันที่ทั้งประเทศหรือว่าทั้งโลกก็ได้นะเาจัดรณรงค์ วันปลอดรถนะคาฟรีเดย์ปลอดรถนะจะก็จะใช้รถจักรยานกันแล้วก็ที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งสำหรับวัดปามหาวันนะก็คือเป็นวันที่ญาติโ ย, ยมจากชัยภูมิแล้วก็จาก จังหวัดหรืออำเภอใกล้เคียงก็ได้มารวมทอดพระป่าแล้วก็มาปลูกป่าด้วยสามเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกันนะวันพระวันปลอดรถแล้วก็วันปลูกป่านี่ถึงแม้ว่ามันแตกต่างกันแต่ที่จริงเป็นเรื่องเดียวกันนะเป็นเรื่องการทำบุญเป็นเรื่องการทำความดี ทั้งประโยชน์ตนแล้วก็สร้างประโยชน์ท่านการปลูกต้นไม้นะเพื่อทำให้ป่าเจริญงอกงามมันเป็นทั้งการทำบุญในพุทธศาสนาแล้วก็เป็นการช่วยอนุรักษ์โลกด้วยนะที่ก็ทําวันปลอดแล้วก็เพื่อต้องการอนุรักษ์นะอนุรักษ์โลกอนุรักษ์ธรรมชาติเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีการใช้ รถกันมากนะจนเกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมเกิดมลพิษแล้วก็ทำให้เกิดความแปรปวนของดินฟ้ากาศนี่ไปถึงโน่นเลยนะไอการที่เราใช้รถนะพ่นความพิษมากๆนี่เราก็ทำให้เกิดฝนแรงขึ้นมาได้ เพราะว่าทำให้เกิดโรคร้อนนะพอโรคร้อนแล้วอะไรต่ออะไรก็ตามมาน้ำท่วมเพราะว่าน้ำแข็งในโคโลกเหนือโคโลกใต้มันละลายหรือว่าเกิดโรคระบาดมากขึ้นสัตวตรวพื้นก็แพร่ขยายมากขึ้นเดี๋ยวนี้อย่างเช่นป่าในอเมริกาเป็น เรียกว่าเป็นร้านๆไล่ลเลยนะตายกันเพราะว่าด้วงนะด้วงมันมีด้วงเช่นหนึ่งเนี่ยมันเข้าไปเจาะเอาเนื้อไม้เพื่อวางไข่ทาให้ต้นไม้ตายนะเขาก็เลยรณรงค์เรื่องาการลดใช้รถยนต์อนะส่วนเรื่องการปลูกป่าก็เหมือนกันนะมันก็เป็นเรื่องเดียวกันนั่นแหละเพราะว่าเราปลูกต้นไม้เนี่ย ประโยชน์อย่างนี้คือว่าไม้ต้นไม้เนี่ยเมื่อมันจเจริญงอกงามเป็นป่ า, ม, ปปามันก็ช่วยดูดสารพิษได้สารพิษเนี่ยก็รวมงอากาศที่เป็นพิษด้วยนะเช่นคนาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยที่เกิดจากการเผาไหม้เนี่ยแล้วก็เป็นการทำบุญด้วยนะผู้เจ้าตรัสว่าผู้ใดสร้างสวนปลูกปา่าบุญของผู้นั้นย่อมจเจริญทั้งวันและทั้งคืนนะ พวดไปล้เนี่ยต้นไม้เนี่ยคือบุญที่จับต้องได้นะเด็กๆเนี่ยเวลาถามว่าบุญนี่หน้าตาเป็นยังไงเนี่ยเคยเห็นตัวบุญไหมเด็กๆอ่ะต้นไม้นั่นแหละโดยเฉพต้นไม้ที่เราปลูกนั่นแหละคือตัวบุญนะที่จับต้องได้นะเพราะเวลาเราปลูกต้นไม้ต้นไม้โตนะแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงานะเราอยู่ใต้ต้นไม้เราก็เย็นใจเราเย็น กายเราเย็นนะก็มีความสุขนะอันนั้นก็เรียกว่าบุญต้นไม้ปลูกขึ้นมาแล้วนะเขาให้อาหารให้ผลไม้นะทำให้หายหิวทาให้ต่อชีวิตได้อันนี้ก็เรียกว่าบุญเหมือนกันนะถ้าเราปลูกต้นไม้แล้วเนี่ยสัตว์เล็กสัตว์น้อยกระรอกกระแตก็มาอาศัยนกก็ได้ใช้ประโยชน์นะนี่ก็บุญเหมือนกันนะ นะต้นไม้เนี่ยคือบุญที่จับต้องได้นะเวลาทำบุญเนี่ยเราก็นึกภาพนึกหน้าตาบุญไม่ออกว่าหน้าตาเป็นอย่างไรก็ไอ้นึกถึงต้นไม้นึกถึงป่านะโดยเพราะที่เกิดจากการปลูกของเรานี่แหละมันคือบุญนะที่จับต้องได้สัมผัสได้และเป็นบุญที่โตขึ้นทุกวันทุกวันเนละยเพราะทีาเราปลูกไผ่เนี่ยนะวันหนึ่งที่มันโตนี่ สองสามสองสามฟุตเลยนะพายที่เราปลูดนี่มันโตเอาโตเอาทุกวินาทีเลยนะวันหนึ่งก็โตไปแล้วเนะี 2, นะ่ยสองสามฟุตนะบางทีก็เมตรหนึ่งมองด้วยตาเปล่าเนี่ยเห็นมันอยู่นิ่งๆ น, นะแต่ที่จริงมันโตเอาโตเอาเหมือนกับนาฬิกาเมื่อเข็มนาฬิกานะเข็มชั่วโมงอะดูเหมือนมันนิ่งๆ น, นะแต่ผ่านไปชั่วโมงหนึ่งมันก็ดิแล้ว มันก็ดิกไปจากเลขหนึ่งไปเลขสองเลขสองไปเลขสามนะนะต้นไม้ที่โตขึ้นทุกวันทุกวันทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงทุกนาทีนะนั่นแหละคือความหมายคาว่าบุญย่อมเจริญนะทั้งวันและทั้งคืนนะการปลูกป่านี่ก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งนะนะมันทำให้เกิดบุญ แล้วก็ช่วยรักษาโลกให้เกิดความสมดุลนะเกิดความปกติสุขขึ้นมาได้บุญที่เกิดจากต้นไม้เนี่ยยังได้แก่ความสงบใจนะเราปลูกต้นไม้จนกลายเป็นป่าแล้วก็ได้มานั่งอยู่ใต้ต้นไม้นั่งสมาธินะความสงบสงัด ความร่มเย็นของต้นไม้นี่ก็ทำให้เราเกิดสมาธิพระเจ้าก็ได้สอนได้แนะนำนะพระแล้วก็ญาติโยมว่าเนี่ยโน่นโคลนไม้นะโน่นเรือนว่างนะให้ครนั่งเพื่อเจริญสติเพื่อทำสมาธิ มันก็ทำให้เกิดความรู้นะไม่ไม่ใช่รู้เรื่องนอกตัวนะรู้เรื่องกายเรื่องใจรู้เรื่องภายในนะทำให้เห็นสัจธรรมความจริงนะต้นไม้เนี่ยนะเวลาเราปลูกต้นไม้นี่จนเป็นป่าเนี่ย ไ, ได้บุญพอๆกับสร้างโบสถ์เลยนะเราสร้างโบสถ์ นะบางทีใช้เงินมากกว่าแพงกว่าการปลูกป่าด้่ซ้าแต่ว่าก็ได้บุญเหมือนกันนะโบทที่ดีนะโบทที่ดีสุดก็คือโบทที่สร้างโดยต้นไม้นะมีต้นไม้นะให้ร่มเงาอย่างสวนโม่เนี่ยสวนโม่เนี่ยโบสถของสวนโม่นี่นะเป็นโบทที่อยู่กลางป่า ไม่ได้ใช้อีกใช้ปูนอะไรก็เกิดจากต้นไม้น่นแหละที่ให้ร่มเงานะสมัยพุทธกาลนะสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพนะโบที่ใช้นะประกอบพิธีกรรมหรือใช้แสดงธรรมนะมันก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอยู่ ห้ามกลางต้นไม้นะที่หนาแน่นให้เราปลูกป่าก็เหมือนกับเราสร้างโบสถ์นะเราปลูกป่าก็เหมือนกับเราสร้างโบสถ์จึงเรียกว่าการปลูกป่านี่เป็นเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งก็งเป็นการตอบแทนบุญคุณธรรมชาติด้วยนะนะธรรมชาตินี่ก็เหมือนกับแม่ของเราคนสมัยก่อนเนี่ยเขาถือว่าธรรมชาตินี่เป็นแม่ ในดินก็เรียกว่าถ้าพื้นดินก็เรียกแม่ธรณีถ้าแม่น้ําก็เรียกแม่คงคาถ้าตามทุ่งนาก็เรียกว่าแม่โพศพนะมีแม่อยู่ทุกคนแห่งนะคนไทยสมัยก่อนนี่เขามองว่าธรรมชาตินี่เป็นแม่แม่ธรณีแม่คงคาแม่โพศพนะเพราะว่ามีธรรมชาติเนี่ยเราจึงมีข้าปลาอาหารแล้วก็มีอากาศข้าปลาอาหารนี่ไม่สําคัญเท่ากับน้ําแล้วก็อากาศนะ แม่กินข้าวอาทิตย์หนึ่งก็ยังไม่ตายบางคนอดอาหารเนี่ยสามเดือนนะอดอาหารสามเดือนก็ยังไม่ตายนะแต่ขาดน้ํานี่แค่สามวันหรือว่าขาดน้ำหนึ่งอาทิตย์นี่ก็ตายแนละ้วยิ่งอากาศด้วยแล้วนี่ขาดไม่เกินอ่าสี่นาทีห้านาทีนี่ก็ถ้าขาดสี่นาทีนี่สมองก็ไม่ทํางานแล้ว สมองตายขาดนายก่อนนั่นก็เอาเรียกว่าดับชีพเป็นเลยนะน้ําก็ดีอากาศก็ดีมาจากไหนนะก็มาจากป่านะอเด็กๆ เ, เวลาใช้น้ำเนี่ยนะเคยรู้ไหมน้ํานี่มาจากไหนนะถามเด็กสมัยนี้บอกน้ํามาจากก๊อกนะไม่ใช่นะน้ํานี่มาจากป่านะ น้ำมาจากฟ้าก็ได้นะนะน้ําตกลงมาจากฟ้าป่านี้ก็เก็บเอาไว้เหมือนกับนะเก็บเอาไว้เหมือนกับเออจะเรียกว่าอะไรนึกไม่ออกแล้วเดี๋ยวนี้ความสมองนี่มันคิดสับอะไรไม่ค่อยได้นะฟองน้ําฟองน้ําเดี๋ยวนี้เวลาเทนี่จะ เท่ไเท่มาจะนึกคำไม่ออกเนี่ยเริ่มแสดงถึงความความเสื่อมของสังขารแล้วฟองน้ำแนละป่านี่คือฟองน้ำนะฟองน้ำก็เก็บน้ำเอาไว้แล้วก็คายน้ำออกมานะพวกเราชาวชัยภูมินี่โชคดีนะมีป่ามีมีภูเขานะที่อยู่ใกล้ใกล้เมืองจากชัยภูมินี่มองมานะนนทั้งด้านทิศเหนือนี่ เห็นอะไรนะเห็นภูโค้งนะเห็นภูเขาเป็นทิวยาวอันนี้ถือว่าเป็นเป็นโชคของชาวชายภูมินะเพราะว่ามีไม่กี่จังหวัด น, นะที่มองออกมาแล้วจะเห็นปา่าเห็นภูเขาอยู่ใกล้ๆหลายจังหวัดในภาคอีสานเนี่ยมองอไปนะไม่เห็นเขาเลยนะอย่างเช่นขอนแก่นสารคามเนี่ยไม่เห็นภูเขาเลยนะ แล้วแถมบ้านเราใช้ภูมินี่มีป่าเยอะด้วยนะสมัยที่อาตมามาใหม่ๆเนี่ยสาปีที่แล้วก็ว่ามีป่าประมาณหนึ่งในสองในสามห0สบซเจดสิอร์ซด้วยตอนนี้เขเหลือห้าเท่านั้นแหละแต่ห้าอร์เก็ยังเยอะนะเพราะว่าสาราคามเนี่ยมีแค่หนึง่งเปอร์ซ็นต์งจังหวัดใกล้กับเรานี่เหนึ่งสารคามเนี่ยแค่หนึ่งาาาเอร์ซใช้ภูมินี่ถือว่าเป็นจังหวัดที่คน มีโชคมากนะมีขุมทรัพย์ที่สำคัญนะนอกจากาแหล่งทรัพยากรแหล่งโบราณสถานเช่นบ้านบ้านกุดงงนะหรือว่าภูพระบ้านกุดงงนี่มีอะไรนะรู้มามชัยภูในบ้านกุดงงมีอะไรนะใบเสมาทวารวดีนะพันกว่าปีภูพระนี่ก็เหมือนกันนะก็มี โบราณสถานมีพุทธรูกที่สําคัญนะครูบ้านครูเมืองชัยภูมิหลายจังหวัดไม่มีนะไม่มีของเก่าของแก่แบบนี้ของแก่นรู้จะมีว่นะของเก่าของแก่ขนาดพันปีเนี่ยแถมยังมีป่านะมีป่าทีนะ่เรียกว่าครึ่งหรือค่อนจังหวัดนะ อันนี้ถือเป็นโชคนะแล้วม่อมีป่าแล้วเป็นยังไงนะมันก็มีน้ำนะคนชัยภูมิก็ได้อาศัยน้ำนะจากลาปะทาวนี่แหละนะมาช่วยในการดาเนินชีวิตสมัยก่อนนี่ต้องพึ่งพาสายมากเดี๋ยวนี้มีน้ำประปานะก็พึ่งพาน้อยลงนะแต่ว่าถ้าปีไหนนะน้ำลาปะทาวเกิดแห้งเนี่ยเดือดร้อนและคนชัยภูมิ ไม่ใช่น้ําเท่านั้นนะอากาศนะอากาศก็ได้มานะจากป่าจากปูโคง้งเป็นต้นนะนั่นต้องเรียกว่าคนใช้ปูนี่เป็นหนี้นะเป็นหนี้เป็นหนี้ป่ามากมายรวมทั้งปู่คง้งนะรวมทั้งลําปะทาวนะนั่นการมาปลูกป่านี่ก็ถือว่ามาตอบแทนบุญคุณนะ เป็นวิสัยของคนดีที่มีความกตัญญูรู้คุณนะเรามาตอบแทนบุญคุณป่าด้วยการมาซ่อมแซมป่าเยียวยาป่าตอนนี้ป่านี่เหมือนเหมือนแม่ที่กำลังป่วยนะแม่คนนี้กำลังป่วยนะแต่ก่อนแม่ก็เลี้ยงลูกจนลูกโตนะแม่ก็ดูดนมลูกก็ดูดนมแม่นะจนโตแต่ว่าแม่นี่ผ่ายผอม ส่วนลูกนี่โตเอาโตเอานะเดี๋ยวนี้ก็มีชีวิตที่สุขสบายนะมีบ้านมีตู้เย็นมีโทรทัศน์มีโทรศัพท์นะมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะแต่ว่าแม่คือป่านะกำลังป่วยเน่เราขึ้นมาเนี่ยรอบๆก็จะเห็นนะต้นไม้ภูเขานี่มันถูกทำลายไปเยอะแล้ว แต่ผูหลงนี่ก็ยังอพอจะมีป่าค่อนข้างแน่นหนาแต่ถ้าเราไม่มาดูแลไม่มาช่วยอนุรักษ์ไม่มาช่วยกันปลูกป่าซ่อมเสริมนะก็จ ะ, ะสูญสลายหายไปในเวลาไม่นานาการมาปลูกป่านี่เป็นการมาตอบแทนบุญคุณของธรรมชาติแล้วก็เป็นการ ทำประโยให้กับตัวเองระยะยาวด้วยนะได้ทั้งประโยชน์ท่านและประโยชน์ตนประโยชน์ตนคือว่าเราก็จะได้มีแหล่งทรัพยากรที่ให้น้ำให้อากาศแล้วก็รวมทั้งให้วิวทิวทัศนที่สวยงามนะบนหลังเขานี่ก็มีสถานที่สวยงามเยอะนะที่เรามาพักผ่อนได้นะ มาพักกายก็ได้พักใจก็ได้มาพักใจก็มาปฏิบัติธรรมอย่างที่นี่ที่วัดป่ามหาวันนี้ก็คนที่นี่ก็เป็นนี่บุญคุณป่าที่นี่เหมือนกันเพราะว่าให้ความสุขให้ความสบายให้ความสงบสงัดส่วนพวกเราที่อยู่ไกลออกไปก็ได้ประโยชน์เหมือนกันนะอย่างที่ว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มาปลูกป่านี่เป็นเรื่องที่น่ายกย่องสรรเสริญนะเป็นการทําบุญที่น่านุมโมธนามาก นะถึงแม้ว่าจะเหนื่อยนะวันนี้อาจจะไม่มีฝนตกลงมาแต่อาจจะร้อนปลูกปาแล้วก็อาจจะเหนื่อยแต่เหงื่อที่ออกมานี่ก็ถือว่ามันศักดิ์สิทธิ์กว่าน้ำมนนะหลวงพ่อนี่พรมน้ำมนให้พวกเราเนี่ยมันก็ยังไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่วิเศษไม่ประเสริฐเท่ากับเหงื่อที่เกิดขึ้นจากการที่เราปลูกปา นะเพราะว่ามันเกิดจากน้ำพัดน้ำแรงของเรานะเมื่อเราทำแล้วนะเราปลูกป่าความเจริญงอกงามก็เกิดขึ้นในใจบุญกุศลก็งอกงามขึ้นในใจเรานะอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจนะก็อยากจะฝากเอาไว้นะว่าต้นมาทุกต้นนะ หรือว่าป่าทุกผืนบนหลังเขาภูโค้งเนี่ยนะเป็นสมบัติที่น่าภาคภูมิใจของชาวชัยภูมินะหลายจังหวัดนะเขาไม่มีป่านะจะให้ขึ้นมาเที่ยวนะต้องไปจังหวัดอื่นของเรานี่แค่อยู่บ้านนี่มองไปทางทิศเหนือนี่ก็เห็นแล้วโอ้ป่าเป็นทิวยาวนะอันนี้เป็นสมบัติที่เราควรภาคภูมิใจ ถึงแม้ว่าชายภูมิของเร า, า จ, จะเป็นจังหวัดเล็กๆไม่เหมือนขอนแก่นโคราชนะบางจังหวัดเขาก็โชว์โชว์ว่าเขามีหอคอยสูงที่สุดนะบางจังหวัดก็โชว์สร้างตึกที่สูงที่สุดนะแต่เราไม่ต้องไม่ต้องเสียใจนะเราไม่มีตึกนะเราไม่มีอาคารเราไม่มีหอคอยที่สูงนะ แต่เรามีสิ่งที่ดีกว่านั้นนะก็คือป่านะก็คือภูเขานะซึ่งยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่๋ยวไม่ต้องพูดถึงอุทยานตัดโตรนะอย่าไม่ต้องพูดถึงอุท ย, นะ ย, ยานอีกหลายแห่งป่าปวงพันปีนะอันนี้ก็คือความภาคภูมิใจนะของที่ชาวชายปูคนควรระลึกเอาไว้นะ อย่าไปคิดว่าเราเป็นจังหวัดเล็กๆไม่มีอะไรนะเคยๆเขาก็ไปโน่นนะคอนแก่นไปเชียงใหม่ไปอะไรนะเราก็ไม่ด้อยไปกับเขาเลยอยู่ที่ว่าเราจะเห็นคุณค่าและเราจะรักษาไว้หรือเปล่านะนก็ขออนุมโมทนานะทั้งญาติโยมชาวจากชัยภูมิหนองบัวระเวแล้วก็จากหลายที่นะรวมทั้งเด็กๆด้วยนะมาได้สัมผัส ก, กับธรรมชาติมาได้เห็นว่าป่าเป็นอย่างไรนะ บางคนนี่อายุโตเป็นหนุ่มแล้วยังไม่รู้จักเลยว่าป่าหน้าตาเป็นยังไงไม่ต้องพูดถึงวัวหรือควายนะหน้าตาเป็นยังไงยังไม่รู้เลยแต่หนูๆนี่นะได้มาเห็นป่าแล้วนะกลับไปอวดเพื่อนได้นะโอ้ว่าป่าหน้าตาเป็นอย่างงี้นะเพอๆได้เห็นต้นชนิดหนึ่งด้วยนะต้นที่ไม่มีใบไม่มีดอกแต่สําคัญยัดู้ไหมต้นอะไรต้นอะไรที่ไม่มีใบไม่มีดอกไม่มีรากนะแต่สําคัญมากนะรู้ไหม ต้นอะไรจะได้มาเห็นเลยต้นน้ำเนี่ยนะจะได้เห็นต้นน้าไปบอกเพื่อนได้ว่าเนี่ยได้มาเห็นต้นน้ำแนละ้วมันไม่ใช่ง่ายนะที่จะได้เห็นต้นน้ำมันนะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็จะเห็นนะเราก็ขออนุโมทนาด้วยนะที่ทุกท่านได้มาร่วมกันทําบุญนะในวันพระนี้นะอ่าก็ขออ้างคุณพระศรีรัตนตรยัยอำ น, นวยเวทผลให้ทุกท่านโดยเจริญด้ว ย, วยอายุวันณาสุขภาพภาระ ออยู่เย็นเป็นสุขนะปลอดภัยไกลทุกได้เข้าถึงความสุขเกษมสารมีค่านิพัธ์เป็นที่หมายด้วยกันทุกคนเถินยะถาวิวหาปุราปริปูเรนติสาคารังเอวเมวอิโตตินนางเปตนางอุปกัปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิชะตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะธามณีโชติรโส ยะถาภิโยวิวานันตุสัมภโรโกสัตต โสติภวันตเดชภวสาภังคัลปะคันตสาภเทวตาสักธมาคาเวนสทาโสติภวันตเดชภวัสาภังคัลปะคันตสาภเทวตาสัสังฆานุา สาธาโซทีภวัน